บทที่ 8. สถานการณ์ใหม่การเมืองไทยขบวนการประชาชนนาโนโดยโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้ได้ถขดคขวางพัฒนาการทางการผลิตทำการกระแสการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของรัฐในระบบทุนนิยมโลกและโลกกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นการส่งสัญญาณการปรับตัวครั้งใหญ่ประกอบกับไทยได้เกิดสถานการณ์พิเศษที่ใกล้เวลาของการผัดเปลี่ยนแผ่นดิน ยิงก่อให้เกิดภาวะวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจหนักยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อกระแสวิกฤตเศรษฐกิจทางสากลไหลบ่าเข้าสู่ประเทศไทยมันจบกับวิกฤตการเมืองในประเทศชช่นนี้การเผชิญหน้าระหว่างราชสำนักกับขบวนการประชาชนที่มีลักษณะนาโนจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่จะจบอย่างไรนั่นคือบทท้าทายของผู้เฝ้าสังเกตการณ์ตระจับริหารรัฐโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐ แต่ The King can do no wrong กระสัตย์ไม่อาจจาะกรกะทําผิดได้ในโลกปัจจุบันคํากล่าวนี้ยังเป็นความถูกต้องอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิไปไตยอันมีษพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นประเทศอังกฤษควีเดนญี่ปุนป่นแต่พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นประมุขที่เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งรัฐทําหน้าที่การเจริญสัมพันธทาไมตรีระหว่างรัฐไม่ได้ลงมาสู่การบริหารจัดการรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นจริงของประชาชนซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลในโครงสร้างของระบบพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีการผัดเปลี่ยนรัฐผัดเปลี่ยนรัฐบาลอยู่เสมอตามเหตุผลและเงื่อนไข ข, ของสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลาแต่รัมหากรรษัตริย์ของไทยมุได้อยู่ในฐานะเช่นนี้หากจะทรงมีพระราชอำนาจเต็มเปี่ยมในการบริหารรัฐโดยพระองค์เองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่นบริหารงานในรูปแบบโครงการหลวงที่มีอยู่หลายร้อยโครงการและโครงการในสมเด็จพระราชินีเช่นโครงการดอยคําโครงการศูนย์ศิลปะที่รวมทั้งโครงการในเครือราชสำนักทั้งหมดที่พระเจ้าลูกพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอและพระวรชายาส่งเป็นผู้บริหารจัดการหาผลประโยชน์กันเองทุกพระองค์เช่นโครงการทูบีนัมเบอรวันของฟ้ายหญิงบนลัฐโครงการแฟชั่นระดับโลกของพระองค์เจ้าสีวันวลี รวมตลอดถึงการเปิดร้านค้าผลนิตรดาร้านผูฟ้าในสามสิบจวนภูมิและที่ต่างๆอีกมากมายจึงมีทั้งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนพระองค์และผลประโยชน์ของรัฐด้วยเงินลงทุนและเงินเดือนผู้ประกอบการนั้นแต่เป็นเงินงบประมาณที่มาจากภาษพยากรของประชาชนรวมทั้งการบริหารงานรัฐของราชสํานักที่ทําผ่านรัฐบาลทั้งที่สั่งการโดยตรงและกํากับดูแลรัฐบาลอยู่ข้างหลังดังนั้น จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นนายกและมันตรีทุกคนที่ต้องเทียวเข้าเฝ้ารายงานการบริหารงานรัฐของรัฐบาลอยู่เป็นประจำและปัจจุบันไดพัฒนาเข้มแข็งถึงขั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายเศ ร, รษฐกิจหลักของราชสำนักคือนโยบายเศ ร, รษฐกิจพอเพียงโดยมันอยากชัดเจนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550บาตรา83อยู่ในหมวดที่5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่เท่ากับเป็นการบังคับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องเดินตามแนวทางของราชสำนักและหากรัฐบาลจะดื้อโดยนําเสนอแนวนยโยบายที่แตกต่างไปจากนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนก็จะมีความผิดและถูกศาล ร, รัฐธรรมนูญตัดสินถอดถอนออกจากตําแหน่งได้แต่จากอํานาจบริหารเต็มเปลี่ยนของราชสำนักเช่นนี้ก็ยังคงเป็นเปลี่ยนด้วยหลักการว่า the king can do no wrong เมื่อมีอํานาจบริหาร แล้วก็ทําการบริหารด้วยแต่ยังยึดถือหลากกระย์ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นนี้จึงกลายเป็นช่องว่างของการของอํานาจบริหารที่จะกระทําอย่างไรก็ได้ตามท่าราชประสงค์โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายรวมตลาดทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารอานาจนั้นคือประชาชนทุกคนไม่อาจจะกล่าหนิหรือวิาพากษ์วิจารณได้เพราะมีกฎหมายอาญามาตรา112มันจะรองรับหลักการ The King Can น o No w r รอ g ไว้ด้วยอำนาจราชสำนักที่ทำการบริหารรัฐในโครงสร้างประชาธิปไตยจึงหาผู้รับผิดชอบใดๆไม่ได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นการจึงตกหนักที่รัฐบาลและประชาชนโดยช่องว่างแห่งอำนาจหรือการใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเช่นนี้จนเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองในช่วงวิกฤตการเมืองนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2552 เมื่อราชสำนักเกิดไม่พอใจตัวนายกและมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรขึ้นมาก็ส่งสัญญาณโดยตรงไปที่ผู้วิพากษาโดยมีพระราชดำรัสกับสารที่เข้าเฝ้าเมื่อ25เมษายน2549จนเกิดการกระทำนอกอำนาจของศาลปกครองและกระบวนการยุติธรรมมีการสั่งให้การเลือกตั้งตั้งเมื่อ2เมษายน2549เป็นโมฆะ จนเกิดความปั่นป่วนทางการเมืองตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549รวมตลอดถึงการเกิดม็อกเส้นใหญ่ออกมาขับไล่รัฐบาลนายกสมัครและรัฐบาลนายสมชายอย่างต่อเนื่องโดยกระทําผิดกฎหมายอย่างอุกอาจตั้งแต่ยึดถนนยึดธรเนียบรัฐบาลจนถึงยึดสนามบินก็ไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดําเนินการใดๆได้ไดกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในโลกการเมืองสมัยใหม่ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเรียกอย่างยกย่องว่า ปรากฏการณ์สนธิซึงในส่งผลต่อความเดือดร้อนในการดำร ง, งชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและในอนาคตจากเท่าที่โครงสร้างการปกครองของไทยยังเป็นเช่นนี้ดังนั้นการปฏิวัติค้นลมโครงสร้างการปกครองรัฐไทยเก่าเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากแผ่นดินนี้เป็นของกษัติประชาชนคือผู้อาศัยเมื่อเนื้อแท้ของโครงสร้างการปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช กลไกของรัฐต่างๆตั้งแต่กองทัพศาลทาหารตำรวจก็ต้องตอบสนองต่ออำนาจเบื้องบนทั้งหมดทั้งกฎหมายที่บงังคับและ ว, วัฒนธรรมความเชื่อที่ครอนงำความคิดว่ากษัตริย์คือผู้มีบารมีมาเกิดหากขาดพระองค์ท่านแล้วสังคมไทยจะล่มสลายและสิ่งสําคัญที่สุดที่บ่งชี้ถึงพระอานาจของราชสํานักก็คืองบประมาณแผ่นดินที่เก็บภาษีจากประชาชนทั้งหมดนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของประชาชนเท่านั้นที่จะต้องจ่ายเงินภาษี ส่วนพระองค์จะใช้เงินภาษีนั้นอย่างพุ่มเฟื อ, อย่างไรเป็นเรื่องของพระองค์ประชาชนไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งแม้แต่คิดก็ติดตารางได้ดังนั้นการเก็บภาษีของรัฐไทยวันนี้จึงคล้ายการเก็บสวยในสมัยโบราณที่กษัตริย์เป็นผู้เก็บโดยกษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ต้องเสียภาษีรายได้และจะนำภาษีไปใช้ได้ตามอาเภอใจเพราะรฐนี้เป็นของพระองค์ หลักฐานทางการเมืองที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ยืนหยัดที่ยืนยันถึงหลักการว่ารัฐนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์ประชาชนเป็นเพียงลูกจ้างเส ม, มือนทาสเพิ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานก็คือการพิจารณางบประมาณแผ่นดินและการติดตามการใช้งบประมาณของราชสํานักและโครงการต่างๆตามพระราชดําริทันทีบริหารจากราชสํานักโดยตรงและบริหารผ่านกระทรวงที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนในการบริการ ในการบริหารจัด ก, การนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิอภิปรายความเหมาะสมว่าถูกหรือแพงควรทําหรือไม่ควรทำวนตลอดทั้งไม่มีสิทธิที่จะทําการตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตในชั้นการประมูลงานและการจัดจ้างหรือไม่โครงการพระราชดำริบานโครงการที่ใช้ทรัพยากรของรัฐมีกําลังคนและใช้งบประมาณต่อ ป, ปียิ่งใหญ่กว่ากระทรวงบางกระทรวงเสียอีกไม่เพียงแต่เท่านั้น แม้แต่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ประชาชนทํามาหาได้จากน้าพักนําแรงของตัวเองนั้นโดยปัชญัแห่งราชสํานักที่ผู้คนในวังได้บอกกล่าวเล่าขานกันนั้นถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของพระองค์ทั้งเส้นเพราะแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยดังนั้นการปลูกข้าวและผลผลิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการทํากินบนแผ่นดินนี้จึงน้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์ทั้งเส้น การยึดทรัพย์สินของทักษิณเจดหมื่นกว่าล้านบาทที่หามาได้ก่อนเข้าสู่วงการเมืองนั้นแม้ไม่ได้เกิดจากการคอรัปชันไม่ผิดกฎหมายก็ยึดได้เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของพระองค์เมื่อเป็นความประสงค์ของพระองค์ก็ย่อมจะทําได้ปัชจาของรัฐสํานักเป็นปัจญาที่ย้อมยุกและยากที่คนในยก ป, ปัจจุบันจะเข้าใจได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะนะับตั้งแต่การยึดอำดานาจเมื่อ19กันยายน2549การยึดทำเนียบยึดสนามนนารินยึดอำนาจรัฐบาลสมัครยึดอำนาจรัฐบาลสมชายจนถึงการยึดทรัพย์สิน 70,000 กว่าล้านบาทของทักสิณทั้งๆ ท, ที่ไม่มีคำพิพากษาใดๆตัดสินว่าทักสิงกระทำการคุจมครองเลยนั้นซึ่งผลทั้งโลกเห็นว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลแต่สําหรับประเทศไทยถือว่าชอบด้วยกฎหมาย และมีเหตุผลเพราะแผ่นดินนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์ความผสมของพระองค์จึงถูกต้องประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยจึงไร้สิทธิ์การเมืองไปรัชการกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอำนาจการเมืองรวมศูนย์อยู่ที่ไหนผลประโยชน์ของรัฐก็จะรวมศูนย์อยู่ที่นั่นรวมตลอดทั้งกําลังกําลังคนก็จะรวมศูนย์รัฐใช้อํานาจอยู่ณที่นั่นด้วยพยศขาบรรดาศักดิ์ อาหารการกินความสมบูรณ์คูนสุขเป็นเป้าหมายของมนุษย์ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยอำนาจรัฐเป็นเรื่องสมบัติผักกันชมแต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจรัฐเป็นทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ที่ไม่อาจจะผากให้ใครมาชมได้เมื่อครองอำนาจแล้วตมองคลองต่อไปไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเหมือนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยยิงคำมหากษรรษของไทยองค์ปัจจุบันมีทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์มากถึง 1.19 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกด้วยแล้วพระราชอำนาจของท่านจึงยิ่งใหญ่เมื่อใกล้การผัดเปลี่ยนแผ่นดินพระองค์ใดจะขึ้นมาครองราชเป็นรัชการที่สิบึงเป็นเรื่องที่โลกต้องจับตามองและสําหรับข้าราชาบริพารทหารตำรวจที่แบ่งเป็นฝากเป็นฝา่นฝายย่อมมีเดิมพันทางผลประโยชน์ถูกพันไปกับสายเจ้านายข้าองค์ใดข้าองค์หนึ่งด้วยโดยสังคมไทยมีกฎหมายและวัฒนธรรมโบราณที่ปิดกั้นการคิด และการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของรา ช, ชาสำนักด้วยแล้วเรื่องราวการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าน า, ายพระองค์ใดมีความเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชจึงกลายเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ความเป็นจริงก็ไม่อาจจะปิดกั้นความคิดของชาวบ้านได้เรื่องราวราชสำนักจึงกลายเป็นเรื่องลุกซิ่กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ารัชกาลที่สิบจะเป็นสายชายหรือสมเด็จพระเทพแต่วันแล้ววันเล่า ผสมนิกรก็เฝ้าที่จะชื่นชมบรารมีด้วยใจจดใจจ่ออย่างเงียบๆแต่ก็ไม่มีความหมายกําหนดการทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิทนก็สมพระเจรินในพระชนมายุมากแล้วและก็สงประชวนอยู่บ่อยครั้งตามที่เป็นข่าวแต่ก็ยังไม่มีข่าวที่ผสมนิกร์เฝ้ารอในที่สุดผสมเซฟกันจนมีข้อสรุปตรงกันว่าราชสำนักคงมีปัญหาไม่ลงตัวในการถัดเปลี่ยนราชการอย่างแน่นอน ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในระบอบรัฐสภาซึ่งก็มีความขัดแย้งท่วงชิงผลประโยชน์กันเป็นปกติอยู่แล้วเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นต า, าตามสภาพความไม่ลงตัวของราชสำนักนั้นด้วยต่อผู้นำของพรรคการเมืองก็ต้องหูตาไวคอยเกาะติดข่าวกับข้าราชการในสำนักพระราชวางังรวมถึงองคมนตรีด้วยโดยเหตุที่อำนาจการเมืองที่แท้จริงรวมศูนย์อยู่ที่ราชสำ น, นักดังนั้นถ้าใครเกาะผิดสาย รือตกขบวนรถไฟก็หลุดอำนาจทางการเมือง ท, ทันทีดังนั้นเหตุการณ์ทางการเมืองที่นายทหารใหญ่ตำรวจใหญ่ทั้งหลายมุ่งแต่จะฟังคําสั่งจากพลเอกเปรมมากกว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยเฉพาะเชื่อมั่นว่าพลเอกเปรมเป็นผู้ใกล้ชิดทางกษัตริย์และราชินีซึ่งจะเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการขึ้นครองราดของรัชการที่สิบจากสภาพการเมืองไฟล์รัรัชการ และความไม่ลงตัวของราชสำนักเช่นนี้จึงเกิดความวิตกกังวลต่อการสืบต่ออำนาจของราชวงศ์โดยเกรงว่าจะเกิดการแย่งชิงอำนาจกาันจนเป็นเหตุให้ราชวงศ์สิ้นสุดเพียงแค่สิบรัชกาลยิ่งมีคำทํานายโบราณของสมเด็จพุทธาจารย์ที่มีมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์โดยพยายามเป็นสืบสนาว่าจะเกิดเหตุการณ์สําคัญสำคัญในแต่ละรัชกาลและสิ้นสุดเพียงสิบรัชกาลจึงกลายเป็นความวิตกอย่างยิ่งของราชสำนักตามคําทํานายดังนี้ มหาจา่ารัชการที่หนึ่งพันยักษ์รัชการที่สองรักบัณดิตรัชการที่สามสถิตธรรมรัชการที่สี่จำแขนขาดรัชการที่ห้าลาดโจรรัชการที่หกนนทุกรัชการที่เจ็ดยุทธเมรุรัชการที่แปด ถิ่นกาขาวรัชการที่เก้าชาวศิวิไลรัชการที่สิบจากคํำพยายกรณ์นี้ได้มีการตีขับตีความกันว่าราชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิบรัชการเท่านั้นเพราะเมื่อถึงยุคชาวศิวิไลแล้วทุกอย่างก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องมีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไปและที่สังคมไทยมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเพราะคาทํานายนี้ได้บอกเหตุการณ์สําคัญๆในแต่ละรัชการถูกต้อง อาทิเช่นราชการที่หนึ่งมีความยากลำบากต้องผเผชิญสงครามกับพมา่าจึงเรียกว่าเป็นยุคมหาการส่วนรัชการที่สองนั้นทํานายว่าจะเป็นผู้ที่ทรงความรู้ก็เป็นจริงเพราะพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ในรัชการที่สามก็ทํานายว่าเป็นยุคที่บัณฑิตเฟื่องฟูซึ่งในรัชรัชสมัยรัชการที่สามก็มีความเจริญรุ่งเรือง มีการสร้างวัดวาอารามแต่งสําเขาไปค้าขายต่างประเทศและทํานายว่ารัชกาลที่สี่เศรษฐกิจทำก็มีส่วนจริงเพราะก่อนขึ้นของาราชกาลที่ 4, สี่ก็ทรงถนวดและเป็นผู้สร้างนิกายศาสนาพุทธขึ้นอีกนิกายหนึ่งคือนิกายธรรมยุทธ์รัชกาลที่ห้าจำแข็งขาดก็หมายถึงการเสียดินแดนเป็นก็เป็นจริงรัชกาลที่หกก็มีการใช้เงินหมดพักครั้งรัชกาลที่เจ็ดจะต้องรับภาระ พอเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองและต้องสละสละราชสมบัติเหมือนนนทุกซึ่งเป็นตัวละครในรามเกียรติรัชการที่แปกระถุ่กรถูกวลอบลงพระชนสมกับเป็นยุคทมินส่วนรัชการที่เก้าก็ตีความหมายกันมากมายว่ามีฝรั่งผิวขาวเข้ามาในประเทศมากบางสำนักก็ตีความว่าเป็นยุคแห่งความผิดปกติวุ่นวายผิดธรรมชาติพราธรรมชาติอี ก, กาต้องสีดำแต่อิ ก, กากลายเป็นสีขาวและเมื่อรัชการที่สิ มากลายเป็นยุคแห่งความเจริญคือชาวสิบิไลซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าใกล้จะเป็นจริงเหตุการณ์มกระบวนการของรัฐสํานักที่จะเหนียวรังไม่ให้เกิดความเจริญขึ้นด้วยการนําเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนทํางานแต่พออยู่พอกินไม่เน้นการผลิตที่ก้าวหน้าทันสมัยและไม่เน้นการเก็บระบบภาษีที่ก้าวหน้าจากคนรวยเพื่อมาเฉลี่ยสุขให้แก่คนจนเพราะจะกระทบผลประโยชน์ของรัฐสํานักดังนั้น การเหี่ยวรัางสังคมเช่นนี้ในภาวะที่เกิดวิกฤต เ, เศรษฐกิจคนยากจนอดอยากจึงบ่งบอกถึงการเกิดปฏิวัติใหญ่ในประเทศไทยตะกาวสูยุคชาวสิวิไลความวิตกกังวลของราชสำนักได้ถูกกระพือโผมจากพรรคประชาธิ ป, ปัตย์และกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ทางการเมืองจากนโยบายและความนิยมของประชาชนที่มีต่อตัวพันตํำรวจโททักษิณเพื่อให้ราชสำนักเกิดความตื่นกลัวแล้ว มาสนับสนุนพวกของตนที่จะเอาชนะทักสิณโดวยวิธีการนอกกฎหมายโดยเหตุนี้จึงเกิดการวางแผนช่วงชิชงอํานาจทางการเมืองด้วยวิธีการที่นอกระบอบประชาธิปไตยโดยการแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีต่อรัชสมนักและใส่ร้ายว่าทักสิณคิดการใหญ่จะสถาปนาสถ า, านะสอาสาธารณรัฐเพื่อขึ้นเป็นประธานาธิบดีเองและเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือก็มีผู้ใกล้ชิดคนเอกเพลยเช่นโสพลสุภาคง นายสนทิลึงทองกุลและพรรคพวกออกมาระบุรายละเอียดว่าทักสิณได้ร่วมปรึกษาหารือกับอดีตแกนรนำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เป็นอดีตผู้นํนานักศึกษาหัวรุนแรงเช่นนายเกรียงกมน์เหล่าหภัยโรดและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ประเทศฟินแลนด์โดยจัดทําเป็นข้าวงเรียกว่าปฏิญญาฟินแลนด์เพื่อล้มราชวงศ์แต่ก็ถูกต่อโต้จากนายภูมิธรรมและพวกทําการฟ้องร้องคดีต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาท และแม้สาลจะตัดสินนายสนชิร้งทองคุณและพวกว่ามีความผิดแล้วแต่กระแสข่าวก็ยังไม่หยุดล่าสุดนายสุเทพเชื้อสุบันและจะดํารงตาแหน่งเป็นถึงรองนายกมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็ยังใส่ร้ายพันตํารวจโชตทักษิณอย่างเปิดเผยในการตอบกระทู้ในสภาเมื่อ5กุมภาพันธ์2552ว่าพันตํารวจโชตทักษิณต้องการจะเป็นประธานาธิบดีการใส่รา้ายป้านสีเพื่อช่วงชิงอานาจการเมืองจากพันตํารวจโชตทักษิณ ได้กระทํากันอย่างเป็นระบบโดยเคือข่ายรัฐสํานักส่วนในที่สุดเกิดการช่วงชิงอานาจจากรัฐบาลทักษิณเป็นผลสําเร็จแต่ก็กลายเป็นจลาจลวุ่นวายทางการเมืองของไทยนับแต่การยึดอานาจเมื่อ19กันยายน2549เป็นต้นมาจนถึงจลาจลการยึดสนามบินและสงครามประชาชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่คุกรุ่นขึ้นจนถึงทุกวันนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันได้ถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นผลจากภาวะการเมืองไทยรัฐไฟรัฐการ โดยมีคนเอเกเฟลมเป็นผู้ใช้อํนนานาจอันไม่ชอบนี้ก็คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงของพันตํารวจโททักษิณที่รู้ปัญหาเต็มอกแต่ยากที่จะเปิดเผยอย่างหมดเปลือกต่อสาธารณชนได้ก็คือทําให้สัมภาษณ์ผู้สือ่อขาวหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนที่ญี่ปุ่นว่าอาซาฮีพูดว่าคุณมีความเห็นอย่างไรกับรัฐบาลใหม่ของไทยทักียณตอบว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้อำ น, นาจจากเสียงส่วนใหญ่ ด้วยการสนับสนุนจากศาลจากกองทัพและคณะอุปขมตรีสาเหตุที่พวกเขาเรียกร้องให้ผมเลิกยุ่งกับการเมืองไทยเพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่าจะกลุ้มอำนาจได้ถ้าผมยังยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมเชื่อว่าจริงๆแล้วกองทัพและคณะองคขมตรีนั่นแหละที่ต้องเลิกยุ่งกับการเมืองอาคาฮีถามว่าคุณยังจะสู้ต่อหรือเปล่าทักษิณตอบว่าผมกําลังจะอายุครบหกสิบปีในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ผมอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบและหวังว่าจะได้เห็นความสมานฉันท์อีกครั้งในหมู่คนไทยแต่ผมยังไม่ได้รับข้อเสนออะไรจากรัฐบาลหรือกลุ่มต่อต้านทักษิณว่าต้องการจัดเจรจาผมจะตายไม่ได้ก่อนที่จะพิสูจน์ว่าผมไม่ได้รับความยุติธรรมและผมเชื่อว่ากลุ่มผู้สนับสนุนผมจะสู้กับพวกเขาต่อแม้ว่าผมจะตายไปแล้วที่นี่คัดจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตีทิมื่อวันที่23มกราคม2552ปีที่32ฉบับที่100ฉบับที่11276หลังจากนั้นพันธมตโทรทัศสิงห์ก็ให้สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์ดีทีวีเช้าวันอาทิตย์ที่25มกราคม2552เวลา10นาฬิกาความสําคัญตอนหนึ่งว่าไม่ว่าจะต่อสู้บนโรกหรือสวรรค์ก็จะต่อสู้ถ้าไม่คืนความเป็นธรรมให้ก็จะไม่มีวันหยุดเคลื่อนไหว ถึงทุกวันนี้มีความพยายามดำเนินคดีและลังแกตนตนเองทุกอย่างแล้วอยากคิดว่าจะส่งคนมาฆ่าตนที่ต่างประเทศพอ ถ, ถึงตายก็ไม่หยุดแน่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้พราะมีผู้ระแวงว่าตนเองไม่จงรักภักดีผมขอยืนยันว่าตนเองจงรักภักดีมากที่สุดคนหนึ่งอย่ามาหาเรื่องกันสมมุติฐานนี้ผิดก็ควรทาสมมุติฐานให้ถูกความไม่จงรักภักดีที่ผมถูกกล่าวหาก็าจะได้รับการแก้ไข ผมขอเรียกร้องว่าขอให้ทุกฝ่ายหันเข้าหากันเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างต้องปปเป็นไปตามกติกาในชีวิตของผมเองที่ได้รับพระราชทานอะไรมามากมายผมมีความกระตันอยู่หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อใช้กรรมที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วหมดต่อไปก็คงจะโชคดีได้รับกรรมดีกลับมารับใช้แก้ปัญหาให้ที่น้องชาชนถ้าพักพวกได้เป็นรัฐบาลยุคพักตัดเสร็จวิกฤตสังคม ระบบทพิกลพิการเมื่อราชสำนักเกิดความวิ่ตกกังวลต่อการสิ้นสุดราชวงศ์เป็นอย่างมากเครือข่ายรัชสำนักที่ผลึกกาลังกันอย่างเป็นระบบโดยพลเอกเกรมในฐานะประธานเครือข่ายก็ทําหน้าที่ที่น่าชื่นชมในสายตาของรา ช, ราชสำนักแต่แท้จริงกลับเป็นอันตรายต่อรัชสำนักอย่างยิ่งโดยพลเอกเกรมได้บัญชาการอยู่หลังฉากโดยใช้องค์กรทหารและองคอ์กรศาลในการยึดอ า, านาจทําลายองคอ์กรพรรคการเมืองอย่าง ตัดล่าถอนโคนด้วยการทำลายสายตระกูลของนักการเมืองที่เป็นหัวขบวนของแต่ละพรรคการเมืองโดยข้ออ้างว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทุ้ผลิตเลือกตั้งในฐานะเป็นกรรมการพรรคจึงถูกตัดสิทธห้าปีรวมนักการเมืองระดับหัวกะที่ประมาณเกือบสามร้อยคนที่ถูกกิดการออกจากวงการเมืองซึ่งมีผลทําให้องค์กรพรรคอยู่ในภาพล้มลุกคุกคานโดยไม่อาจจะเป็นร่าฐานทั้ำจุนระบบรัฐสภาได้ดังนั้นโดยผลแห่งการยึดอำนาจของทหาร และผลแห่งคทำทพิพ า, ากษายกพักตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักจึงทําให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอทันตาเห็นอีกคั้งในสร้างรัะทำลุนฉบันห้าร้อหที่เน้นระบบตรวจสอบควบคุมอำํำนาจของรัฐของรัฐบาลและศสโดยองค์กรอิสระและสารตามแนวคิดอมาตยาติปตาธิปไตยจึงทําให้รัฐสภาของไทยกลายเป็นส ภ, ภาของเด็กที่ฟ้อง จนรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่อาจจะทําหน้าที่ตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนได้การเมืองของไทยจึงกลายเป็นการเมืองค้าความสสก็กลายเป็นพันนายความตีนลงตีนสารจากฐานการณ์เช่นนี้ก็แน่นอนว่าสถาบันการเมืองของประชาชนอันได้แก่พรรคการเมืองและรัฐสภาจึงอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบันที่จะเข้มแข็งขึ้นก็เหลือเพียงสถาบันพระมหากษัตริย์รถาบันทหารเท่านั้นการเมืองไทยวันนี้ก็คือการทําลายสถาบันภรคการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มข้าราชการเข้มแข็งขึ้นเป็นการหลักในการบริหารรัฐซึ่งเป็นการเปิดโปงตัวเองของรัฐสํานักว่าไม่พึงพอใจและไม่ไว้วางใจพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงไม่ต้องการให้อำนาจอยู่กับสถาบันพรรคการเมืองและสถาบันรัฐสาภาในการบริหารประเทศ ซึงนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาช น, านาวาวเพราะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงเช่นนี้แทนที่ข้าราชการประจําและข้าราชการการเมืองควรจะประสานสามัคคีกันเพื่อแก้ปัญหาของประเทศแต่กลับกลายต้องมาทะเลาะกันเพื่อชงชิงอานาจโดยไม่มีกติกาลางจากการบงการของโคนีเปรมเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อรชัชสำนักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และยาที่จะสมานแผลใจอันเกิดจากการทําลายสายตระกูลของแกนนําภรคการเมืองซึ่งเป็นชนชั้นนําฝ่ายพลเรือนที่มีบาลมีในลักษณะกาะติดกับประชาชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและอาจจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาทุกร้อนของประชาชนระหว่างนักการเมืองกับขา้าราชการประจําในวันนี้ก็จะเห็นว่านักการเมืองมีประสิทธิภาพสูงกว่าขา้าราชการประจําเพราะองค์กรขา้าราชการนั้นจะงุ่ม ง, ง่ามเนื่องจากเป้าหมายหลักถูกปลดให้บริการราชวงศ์ มีได้มีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองที่มีแรงจูงใจถึงความนิยมของประชาชนดังนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเช่นนี้ก็ยากที่องค์กรรัฐการที่เป็นองค์กรหลักจะตั้งรับได้และเมื่อเกิดความหิวโหยก็จะเกิดการลุกขึอ้ของประชาชนอันจะส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างการปกครองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้อย่างแน่นอนสงค์สงครามเสื้อเหลืองเสื้อแดง ความขัดแย้งในหมู่ประชาชนที่ใช้สีสัญลักษณ์เป็นฝ่ายสีเหลืองและสีแดงเป็นความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองที่เชื่อมโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความโกรธแคนกันระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงถึงขนาดทำร้ายกันถึงชีวิตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยเป็นความขัดแย้งที่มีรากความคิดลึกถึงการเกยดชังต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบางพระองค์ที่ยากจะแก้ไขและมีลักษณะกว้าง แม้เหตุการณ์6ตุลาคม2519ก็ไม่อาจจะเทียบความรุนแรงได้เริ่มต้นจากการปลุกระดมผู้คนโดยใช้สีเหลือง อ, อ, อ, อันเป็นสีวันพระวันพระร่าชสมภพขอโทษค่ะอันเป็นสีวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสัญลักษณ์โดยใส่ร้ายพันตำรวจโชติสิงห์ว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดีและอยากจะเป็นประธานาธิบดีจนเกิดการรัฐประหารลอำ น, นาจอธิปไ ส, สมใจ พรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สามารถจะต่อสู้ในเวทีการเลือกตั้งได้แต่ด้วยเพราะระบบข่าวสารที่ก้าวหน้าและประชาชนมีความเข้าใจต่อระบบการเมืองดีขึ้นแล้วประกอบกับพันตรวจโ ท, ทักษณิณเป็นนายกคนแรกที่มาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและมีผลงานเป็นที่ประทับใจของประชาชนหึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษณิณประชาชนเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อคนที่ทําดีแก่บ้านเมือง จึงสงสารและผูกพันในตัวพันตำรวจทวทักษิณและฝ่ายทหารจะทําการโฆษณาชนเชื่อฝ่ายเดียวใส่ร้ายทักษิณต่างๆนานาตลอดหนึ่งปีเต็มหลังกา ร, รยดึดอำนาจก็ไม่อาจจะทําลายศรัทธาที่มีต่อตั ว, ตวทักษิณได้ในที่สุดความสงสารและความไม่เป็นธรรมที่จะทําต่อทักษิณก็พัฒ น, กนกากลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ผูกพันกันเพื่อช่วยทักษิณและพัฒ น, นาไปเป็นองค์กรมวลชนที่มีอุดมการประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ และมีการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อมากลุ่มคนเสื้อแดงก็พัฒนาไปเป็นองค์กรใช้ชื่อว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ ก, การแห่งชาตินปชและยิ่งเมื่อเสื้อเหลืองแสดงบทบาทที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยทำการอุกอาจยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสถานีโทรทัศน์ยึดสนามบินรวมทั้งติดอาวุธจัดตั้งเป็นกองทัพประชาชน โดยมีเจ้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าดําเนินการใดๆในนามม็อกเส้นใหญ่ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจและตบแค้นแก่ฝ่ายคนเสื้อแดงมากยิ่งขึ้นจึงเกิดการรวมตัวและขยายตัวครอบครองพื้นที่โดยสร้างเขตพื้นที่ที่พ่ของตนขึ้นอย่างมีลักษณะจัดตั้งและลักษณะกระบว น, นการโดยตลอดทั้งมีกระบอกเสียงเป็นวิทยุชุมชนและสถานีโทรทัศน์เป็นของแต่ละฝ่ายโดยกีดขวางไม่ให้ผู้ดังบวนชนของฝ่ายตรงข้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัที่เป็นอิทธิพลของตน ถึงขั้นยกพวกไปทำร้ายกันสภาวะการเช่นนี้คือหน่ออ่อนๆของสงครามประชาชนความผัดแย้งทางความคิดการเมืองของคนไทยที่รุนแรงและกว้างขวางเช่นนี้เป็นสิ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนและได้กลายเป็นแนวทางปฏิวัติสังคมแนวใหม่ที่มีความแตกต่างจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475เชื่อเหลืองล่อเป้าเสื้อแดงยิงเป้า หาจะได้มองการเคลื่อนตัวของกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงอย่างวิเคราะห์เจาะลึกโดยนี้ได้มองติดอยู่ที่กลุ่มเสียดทักษิณและกลุ่มรักทักษิณแล้วก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเป็นเอกภ า, ภาพกันและเสมือนเป็นหนึ่งและเสมือนหนึ่งประสานกันโดยสภาวะวิสัยอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งสอดคล้องกับเชื้อีแห่งองค์เอกภาพของความขัดแยง้งกล่าวคือ กลุ่มเสื้อเหลืองจะกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตทธ์ตลอดเวลาว่าเป็นผู้สนับส น, นุนอยู่เบื้องหลังจน ต, ตลอดทั้งโชหลักฐานวัตถุพยานต่างๆเพื่อให้สังคมเชื่อตามคํากล่าวอ้าง น, นั้นในขณะที่สํนานักพระราชวังก็ปล่อยให้กล่าวอ้างตลอดระยะเวลาของการชุมนุมที่ยาวนานซึ่งหากมองด้วยสายตาธรรมดาก็น่าเชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรมีความจงรักภักดีจริงแต่หากดูอย่างวิเคราะห์เจาะลึกแล้วจะเห็นว่าเป็นการดึงฟ้าต่ําอย่างแยบย์ ซึงโดยผลของการดึงฟ้าต่ำย่อมจะก่อให้เกิดความเปลียดชังและโกดแค้นในฟ้าของฝ่ายเสื้อแดงมากยิ่งขึ้นจึงมีลักษณะเสมือนกลุ่มเสื้อเหลืองมีความจงใจที่พยายามดึงฟ้าให้ลงมาต่ำเพื่อให้ฝ่ายเสื้อแดงเป็นผู้ทําลายฟ้าเขาลักษณะว่าเสื้อเหลืองลอบเป้าเสือแดงยิงเป้าตลอดเวลาและก็ปรากฏว่าแม้จะขับไล่รัฐบาลทักษิณและตัวแทนออกจากอํานาจไปในลักษณะถอนรากถอนโคน จนพวกเสื้อเหลืองสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายอภิสิทธิ์เป็นนายกได้แล้วและพวกพันธมิตรอีกหลายคนก็มีตำแหน่งได้เป็นรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วแต่เสื้อเหลืองก็ยังไม่ยอมยุติความขัดยแย้งแต่ยังคงใช้สถาบันกาษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อขยายตัวหาสมาชิกในขอบเขตทั่วประเทศมีลักษณะเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วเมื่อวันที่31มการาคม2552 ณกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงกลุ่มคนเสื้อเหลืองพันธมิตรก็ชุมนุมใหญ่กันที่สระบุรีโดยนายสนทิลิ้มทองกุลได้ประกาศบนเวทีชัดเจนว่าได้เกิดสงครามประชาชนแล้วโดวยกล่าวว่าปัจนี้ได้เกิดสงครามประชาชนแล้วฝ่ายหนึ่งคือพวกเราที่ปกป้องชาติศาสนาสหาหกษัตริย์และราชบัลลังก์อีกฝ่ายหนึ่งคือทักษิณและพวกเสื้อแดงที่มุ่งทำลายชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์การขยายตัวของเสื้อเหลืองออกต่างจังหวัดโดยอ้างการปกป้องสถาบันด้านหนึ่งจึงเป็นการขยายการจัดตั้งของกองกําลังเสื้อเหลืองแต่อีกด้านหนึ่งจับกลายเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มคนเสือแดงไม่พอใจและขยายตัวมากขึ้นเพื่อเตรียมการจัดตั้งกองกําลังเช่นกันซึ่งเผ่ารบการเผชิญหน้าของมวลชนเสือเหลืองและเสื้อแดงโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเป้าล่อของการทําลายล้างกันเช่นนี้ จึงเป็นผลลัพธ์ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังม็อกเส้นใหญ่พลาดไม่ถึงสงครามนี้ผู้ที่จะต้องถาดทุนอย่างย่อยยับทั้งขึ้นทั้งล่องคือาราชสำ น, นักกระแสวิกฤตโลกผวกกระแสวิกฤตภายในตามทฤษฎีไร้ระเบียบเคาซิโการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีลักษณะคล้ายกันคือสภาวะความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและนำไปสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ของระบบธรรมชาติใหม่หรือการเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ของระบอบ ก, การปกครองของมนุษย์แล้วแต่กรณีปัญหาความอดอยากของผู้คนคือสภาวะความปันป่วนและสภาวะความไร้ระเบียบสภาวะความไร้ระเบียบทางสังคมในประเทศรัสเซียขณะที่อยู่ในการปกครองของระบอบพระเจ้าชาพระเจ้าซาก่อนที่จะถูกโค่นล้ม เมื่อปีคริสตศักราช1917พุทธศักราช2460ก็24 60, เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามคำอธิบายของทิษฎีรไรล์เะเบียบกล่าวคือเมื่อเกิดภาวะความอดอยากของประชาชนฝูงชนก็รวมตัวกันเดินขบวนไปหาพระเจ้าชาที่พระพระชาชวังแคนเรนเพื่อขอขนมปังแต่เกิดความเข้าใจผิดจึงถูกทหารมา้าคอสแซทที่เ ก, กลียดใของพระเจ้าชา เห็นค่าจึงกลายเป็นขบวนการค้นลม้มชนวนการค้นล้มระบอบกกตรติย์ในรัสเซียหรือสภาวะความอดอยากที่สร้อนความไร้ายระเบียดอย่างรุนแรงของระบอบสุสีไทเฮาก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะถูกค้นลม้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบสาธารณรัฐเมื่อปีพุทธศัรกราช2454่ัวล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ของมนุษย์ทีท่อธิบายด้วยชี้ชดีความร้ยระเบียบแห่งธรรมชาติทั้งสิ้น สังคมไทยก็ไม่อาจจะหนีพ้นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาตินี้ได้หากจะได้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยก่อนปี2475ก็จะเห็นว่าเกิดระลอกใหญ่ทางการตื่นตัวทางการเมืองสามระรอบเริ่มจากปีรัรอศ .103 พุทธศักราช2427ในสมัยรัชกาลที่ห้าตอนมีพระองค์เจ้า ประชดอาาอัคราชทูตประจำยุโรปได้ทําหนังสือกลาวบังคมทูลพร้อมทั้งลางรายชื่อเจ้าหน้าทั้งผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อเรียกร้องให้ราัชาการที่หเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ราัชาการที่ห้าก็ไม่รับฟังและลงโทษโดยเรียกตัวผู้ลงนามท้ายหนังสือกลับประเทศหมดโดยเฉพาะพระองค์เจ้าประชดต้องออกจากราชาการและลี้ภัยไปบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่ประเทศสิยังกา ระลอกสองก็เกิดกระบกทรอสหนึ่งร้อยสามรอสสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่สมัยรัชกาลที่หกจึงพัฒนาการเคลื่อนไหวสู่การใช้กำลังเพื่อล้อมอำนาจกษัตริย์ที่เรียกว่ากระบฏหมอเหลงหคือรออขุนทวยหารพิทักษ์เหลงสีจันทร์หัวหน้าคณะแต่ไม่สำเร็จหลังจากนั้นได้เกิดขึ้นระลอกที่สามขึ้นอีก โดยได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและขยายตัวเข้ามาในประเทศไทยจึงก่เกิดภาวะความปั่นป่วนท า, า ท, าทางการเมืองอยู่เป็นคุณเดิมแล้วอันเป็นผลจากชนชั้นนําส่วนหนึ่งไม่พึงพอใจต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางสังคมได้ในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่รู้กันว่ารู้รู้กันโดยทั่วไปหมดว่าในขณะที่ประชาชนกําลังทุกข์ยาก แต่รัชการที่หกกับแม่สนพระไทยและสมพระเกษมสำราญกับข้าราชบริพารใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างกุ้มเฟยทุ่มเงินจำนวนมากสร้างวางให้เจ้าพยากรามลาคบพระสายสเสนิหที่อื้อเฉาทางเพศเป็นบ้านพักอาศัยสย่วนตัวซึ่งก็คือธรรมเนียบไทยผู้ฟ้าที่ทำการของรัฐบาลในขณะนี้จนเงินหมดทระังเมื่อมาถึงรัชการที่เจ็ดพระองค์ต้องรับภาระ ภ า, าวะวิกฤตเศร ษ, ษ, ษฐกิจทั้งจากภายนอกและภายในที่ผนวกเป็นกระแสเดียวกันถึงขนาต้องปลดข้าราชการออกเครื่องหนึ่งโดยไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆภาวะวิกฤตขนาดนั้นส่งผลให้เกิดภาวะธนาคารหลายแห่งล้มละลายแม้แต่ธนาคารสยามกำมาจนธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันของรัฐสหนักเองก็ซุดหนักของตัวไม่อยู่จนกลายเป็นเชื้อมูลให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จเมื่อ24มิถุนายน2475 สภาพการของประเทศไทยในปัจจุบันที่เห็นชัดก็เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจต่อเนื่องกันมานานกว่า30มสิบปีนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์ล้อมปราบฆ่านักศึกษา6ตุลาคม2519เหตุการณ์พฤษภาธรรมเนียบ2535ประชาชนลุกฮือขึ้ น, นเผชิญหน้ากับรัฐบาลทหารคนเด็กสุจินดาคลาประยูรและล่าสุดกรณีการรัฐประหาร19กันยายน2549ซึ่งกลายเป็นไฟลามทุ่งเผาไหม้รอบๆราชสํานัก แต่เหตุการณ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นหากแต่ขยายตัวเป็นภาวะอนาธิปไตยที่ไม่อ า, จากจะควบคุมได้โดยการหนุนหลังของราชนะสํานักเหตุเพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคสิงเท่านั้นเช่นกรณีการยึดทำเนียกรัฐบาลการยึดสนามดินและกระทะการของกรณีติดล้อมสภาเมื่อ7ตุลาคม2551จากวิกฤตการทางการเมืองในช่วงปี2548ถึง2552 ได้ส่งผลให้เกิดภาวะความไร้ระเบียบทางสังคมอย่างเด่นชัดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศและผนวกกับกระแสวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มก่อตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี2050นะคะเริ่มเป็นกระแสรุนแรงไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสภาพการที่ประชาชนแตกแยกเป็นสองฝักสองสายแต่งสีเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงคอยห้ามหันเคาะคอยห้ามหันกัน ทางการภาวะวิกฤตเช่นนี้เป็นผลให้ประชาชนต้องยากจนลงเกิดภาวะความอดอยากในขณะที่ราชสํานักก็ป่าวประกาศทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเติดหลองให้ประชาชนประหยัดอดออมแต่ราฐสํานักไม่เคยที่จะประหยัดอดออมให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนแม้แต่ครั้งเดียวสถานการณ์ของไทยในขณะนี้จึงเป็นภาวะความไร้ระเบียบที่รุนแรงที่สุดที่สังคมไทยเคยมีมาและในอดีตที่เคยส่งผลต่อ ก, การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปี2475มาแล้วและเชื่อแน่ได้ว่า ไม่เกินปีพุทธศักราช 2,555 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญอย่างแน่นอนหรืออาจจะประทุจากความขัดแย้งในราชสำนักเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จสู่สวรรค์ทลาหรือเหตุการณ์อันรอบเหนือความภาดหมายที่จะเกิดจากความเปราะบางทางสังคมที่เป็นอยู่ขณะนี้เหลืองแดงต่างต้องกา ร, ราประชาธิปไตยที่แท้จริง ในสภาวะการแห่งวิกฤตเศรษฐกิจที่ปิดล้อนประเทศได้ส่งผลให้ประชาชนตกงานเกิดภาวะความอดอยากเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะหนักหนุบยิ่งขึ้นในขณะเดียวกับเดียวกันไฟความขัดแย้งทางชนชาติที่ลุกไหม้อยู่ในสีจังหวัดภาคใต้ก็รุนแรงและยากที่จะสงบก็กำลังดึงดูดงบประมาณสร้างความเสียหายให้แก่รัฐไทยเป็นอย่างมากโดยไม่มีใครจะแก้ไขได้เพราะอำนาจการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เป็นจริงรวมศูนย์อยู่ที่รัฐสมณัต แล่รัชทนากรก็ไม่ดำเนินการใดๆเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติโมเดิร์นิสต์ตกกังวลต่อการดำรงอยู่ในอำนาจของตนซึ่งเกิดความถดแย้งและไม่ลงตัวในการผัดเปลี่ยนรัชการจึงส่งผลให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยเน่าเฟะแก้ปัญหาไม่ได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่อาจจะพูดถึงพูดความจริงของต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในโครงสร้างอำนาจการเมืองได้โดยถูกครอบงำทางวัฒนธรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมายทำให้กลุ่มคนทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงต่างมุนงง และจมตีซึ่งกันและกันโดยเปิี่ยนเดียงจากปัญหาหลักคือระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่ลาดใหม่กลายมาเป็นปัญหาทักสิณโดยมองข้ามราชสมณ์นักซึ่งเป็นศูนย์รวมของปัญหาที่ทำให้ประชาชนต้องทุกข์ยากและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองมาโดยตลอดตามทฤษฎีการเมืองแล้วปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงจึงเป็นเพียงปัญหาทางปรากฏการณ์ม่ใช่เนื้อแท้ของปัญหา เป็นกับพีไม่ใช่แก่นปัญหาที่เป็นแก่นในสังคมนี้นี่คือความขัดแย้งของรัฐสํานักสภาพความขัดแย้งของคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงจึงเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้งและความสับสนของประชาชนในสังคมไทยในขณะนี้ซึ่งสภาวะการเช่นนี้จะถูกแก้ไขได้ด้วยเวลาและข้อมูลข่าวสารที่ประอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการให้การศึกษาอันเป็นภาวะวิสัยแห่งวิวัฒนาการทางสังคมส่วนจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของสองพลังอํานาจคือพลังอํานาจของฝ่ายราชสรรนักกับพลังอํานาจของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งหากรัฐธรรมนักเชื่อมั่นในอนาคตของตนอย่างผิดและใช้ความรุนแรงกับประชาชนในภาวะที่ราชสรรนักเองก็มีความแตกแยกก็จะยิ่งเร่งสถานการณ์ความมีเอกภาพในฝ่ายประชาธิปไตยเร็วยิ่งขึ้นเพราะทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงก็ต่างหิวโหยประชาธิปไตยที่แท้สิ่งด้วยกันและต่างก็ฝ่ฝันที่จะเห็นการเมืองใหม่ที่งดงาม แต่ยังถูกเวทมนต์ของลัฐสํานักปิดบางความความจริงอยู่ว่าภาพจริงผงานตามที่ฝ่ฝันนั้นหรือภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียงและภาพวาดการเมืองแห่งคุณธรรมของศักดินาเก่าวนั้นะบวนการประชาชนกระบวนการนาโ น, โนวิวัฒนาการทางสังคมการเมืองนั้นแยกไม่ออกจากวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเมื่อชาวดาวเวนคนพบทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเมื่อต้นศตวรรษที่สิบเก้าว่า สัตว์ที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะดำรงชาติพันธุ์อยู่ได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันทฤษฎีเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีกระบวนการจัด ก, การอย่างเป็นระบบก็เกิดขึ้นโดยอดัมส์เมธผู้เป็นเจ้าทฤษฎีในสภาวะพัฒนาการแห่งเทคโนโลยีปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีขนาดจิ๋วแต่มีประสิทธิภาพสูงหรือที่รู้จักกันในานามนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีขนาดจิ๋วนี้จะเป็นเสมือนหุ่นยนต์ที่สามารถจะเข้าไปปฏิบัติ การทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งเส้นเลือดได้โดยเทคโนโลยีขนาดจิ๋วนี้ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยด้วยตาเปล่าซึ่งขณะนี้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขอบวนการประชาชนที่มีเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนระบอบ ก, การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในขณะ น, นี้ให้พัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายหลากหลายวิธีการและมีทิศทางการเมืองที่ก้าวหน้า โดยหลุดพ้นจากการหลอกลวงด้วยความเชื่อทางการเมืองเก่าๆ เ, เชิงสายศาสตร์ของราชสำนักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยไม่มีองค์กรจัดตั้งซึ่งแตกต่างจากขาบวนการประชาชนอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตที่มีการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการทั้งรูปแบบการทหารและลและรูป ก, การจิตสำนึกเก่าคือ การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะมีรูปแบบการจัดตั้งอย่างแน่นอนเช่นคณะกรรมการกลางพรรคองค์กรสันติสันนิบาตเยาวชนองค์กรแนวร่วมและมีลําดับชั้นของการสั่งงานเป็นแนวตั้งคล้ายกับระบบรัฐอีกลัทธหนึ่งซีซ้อนอยู่ในรัฐไทยที่ดํารงอยู่ทางกฎหมายในขณะนั้นแต่กระบวนการประชาชนใหม่ที่ก่อรูปการเคลื่อนไหวต่อต้านราชสํานักที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้ไม่มีลักษณะการจัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ อย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก็เป็นการสั่งงานอย่างอิสระที่ยึดความถูกต้องเป็นทรรและมีลักษณะเป็นแนวรากอย่างเสมอภาคกันจึงเป็นการประสานงานมากกว่าการสั่งงานลักษณะางานที่สำคัญคืองานเผยแพร่ความคิดดำเนินการผ่านเว็บไซต์สื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์อย่างง่ายๆซึ่งมาเปรียบเทียบกันในอดีตเมื่อ50ปีก่อนเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะตั้งฐานีวิทยุเสียงประชาชนนั้น เป็นภารกิจที่ยากลำบากอย่างยิ่งทั้งการดําเนินการและการรักษาไว้ให้ให้ปลอดภัยขณะนี้ระบบรัฐของราชสมนักไทยกําลังปั่นป่วนที่ไม่อากจะควบคุมและปราบปรามการขยายตัวทางความคิดใหม่ทางความคิดในหมู่ประชาชนที่ทําการต่อต้านราชสมนักอย่างถึงรากถึงโคนด้วยการเปิดโปงความเน่าเปะในชีวิตประจําวันของคนในราชสมนักโดยมีเอกสารหลักฐาน และภาพถ่ายวิดีโอคลิปที่ผิดสิลธรรมอย่างยิ่งกระจายตัวออกทางสื่ออินเทอร์เนต็ตที่เห็นกันผู้บ้านั่วเมืองซึ่งเป็นการเปิดโครงการหลอกลวงของรัฐสํานักเกี่ยวกับความเป็นผู้รทรงคุณธรรมและแบบอย่างที่จองกลองรวมตลอดถึงการบริหารจัดการอํานาจการเมืองที่รัฐสํานักเคยหลอกลวงมามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเพราะเป็นผู้อยู่เหนือการเมืองนั้นได้พังทลายลงหมดเส้นแล้วความพยายามในการไล่จับกลุมสิ่งที่เรียกว่าเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้นเป็นความยุ่งยากอย่างยิ่งจากหลักฐานคําแถลงของทางราชการว่าขณะ น, นี้มีเว็บไซต์หลิ่นมากกว่าหนึ่งมื่นเว็บไซต์แต่ที่ไล่ปิดได้มีเพียงแค่พันกว่าเว็บไซต์เท่านั้นซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสความไม่พอใจต่อรฐนนะัฐธรมนัตขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ได้บ่งชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่ากระบวนการประชาชนที่เป็นกระแส ต, ต่อบโต้โครงสร้างการเมืองเก่าแนวจารีดนิยมนี้เป็นผลจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูง ประชาชนจึงปรับตัวโดวยการนําการรับรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาลับใช้ความคิดทางการเมืองของตนลักษณะงานรับและงานใต้ดินของขอบวนการคอมมิวนิสต์เดิมที่ใช้การจัดตั้งแบบปิดลับอย่างรับกลุ่มการขยายงานความคิดทางการเมืองก็เป็นไปแบบแบบปิดลับสุปราต่อปารซึ่งยังมีความแตกต่างจากการขยายงานทางความคิดการเมืองแบบนานโนที่มีลักษณะปิดลับทางเทคโนโลยี และมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากกว่าลักษณะงานแบบเดิมคือจากฝาสู่หลายๆลายฝาดังนั้นการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของกระบวนการประชาชนที่จะผลิดกำลังผักดันให้การปกครองของไทยเกิดวิวัฒนาการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นนี้จึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ท้าทายทางประวัติศาสตร์ของประชาชนที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการผลิตและเทคโนโลยีของโลกนั้น เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมอย่างแท้จริงลักษณะขบวนการประชาชนแบบนานโนนี้ไม่เพียงแต่ลดคาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นคาระของขบวนการปฏิวัติในอดีตเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงใครต่อการล้อมปรากและทำลายองค์กรเนื่องจาไม่มีฐานที่มั่นในปา่าเขาและไม่มีกองกําลังอาวุธอย่างในอดีตแต่อย่างไรก็ตามขบวนการประชาชนใหม่ที่มีลักษณะน า, นานโนหรือจิ๋วแต่แจ๋วเช่นนี้ ก็เกิดการปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขึ้นด้วยปัจจัยของด้านด้านหนึ่งคือแหล่งกระตุ้นที่มาจากการปราบปรามของรัชสำนักเช่นการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพะลมเดชานุภาพให้กว้างขวางขึ้นรุนแรงขึ้นแสงขณะที่เหวี่ยงแหและตีอวนรวมตลอดถึงการกวาดล้างผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะไม่จงรักคดีในอนาคตไม่ไกลนี้ก็จะยิ่งทําให้มวลชนเครียดแค้นตอนหลักฐานปรากฏชัดเจนต่อสาธารณชนแล้วว่า ราชสำนักโดยเฉพาะร ations, relief, thief, ives, ุ่นล Th ูกรุ่นหลานมีพฤติกรรมที่เสร็จสุกที่มายึดสินทรัพย์เรวร้ายยิ่งกว่าสามัญชนทั่วไปและที่สําคัญคือการเสร็จสุกด้วยเงินทานทรัพยของประชาชนแต่กลับมาปิดปากจับกลุ่มผู้เสียทานทรัพยเข้าคุกตาราดเสียอีกและอีกทั้งเมื่อเกิดภาวะไม่เกิดเศรษฐกิจประชาชนทุกญาติแล้วอดอยากเพก็จะยิ่งกลายเป็นเชื้อไฟปลุกเร้าให้ประชาชนลุกคือต่อสู้โค่นล้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งบุญของรัชการปัจจุบัน อีกด้านหนึ่งจะเกิดการเรียนรู้เพื่อ ย, ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรการสรุปบทเรียนรวมตลอดทั้งการศึกษาแนวทางการต่อสู้ของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิ ธ, วธีและต่อเชื่อมร่วมมือกันระหว่างขบวนการประชาชนในอดีตและขบวนการประชาชนใหม่พัฒนาการความขัดแยง้งระหว่างการหลอกลวงเรื่องคุณธรรมของราชสำนักที่มากขัวมากเมียและใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย แต่ความต้องการนำหน้าประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อ น, นามาแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนโดยการเฉลี่ยสุกในรูปของรัฐวิสาหกรรมรัฐสวัสดิการกําลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผลประโยชน์แห่งมหาชนหรือความถูกต้องและชอบธรรมประชาชนจงเจริญ